ตรงที่มันมาปรุงเนี่ยในตําราเขาเรียกว่าชาวนาจิตชวนาจิตเป็นจิตที่สเสวยอารมณ์อารมณ์ดีอารมณ์มชั่วนั้นตรงที่ตาเห็นรูปไม่มีกิเลสนั้นนะเรื่องปกติหมาเห็นรูปหมาก็ไม่มีกิเลสในขณะนั้นในขณะที่หูได้ยินเสียงนะก็เหมือนกันกำหนด อ, อยู่ที่ประส า, าทหูก็ได้กําหนด อ, อยู่ที่คลื่นเสียงก็ได้กําหนดที่ผัดสะการกระทบระหว่างหูกับเสียงก็ได้กําหนด อ, อยู่ที่จิตที่รับรู้เสียงก็ได้ตรงนี้ไม่มีกิเลส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 จิตเรามีกิเลสพระนิพพานไม่มีก <life> ิเลสจิตเรามีความฟุ้งซ่านมีความปรุงแต่งพระนิพพานไม่ปรุงแต่งจิตเรายังเกาะอยู่ในรูปธรรมนามธรรมพระนิพพานไม่มีรูปนามงานสิ่งเหล่าน <c oughs> ี้แหละกั้นเราไว้จากพระนิพพานซึ่งมันมีอยู่แล้วต่อหน้าต่อตานี่เองเมื่อไรเราพภานาหมดกิเลสไปหมดความปรุงแต่งไปปล่อยวางขันไปแล้วก็เจอพระนิพพานเต็มภูมิอยู่ตรงนั้นเองจะมีความสุขไม่มีอะไรเหมือนสุขสัมผัสที่แรกนะ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 ร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเรานะสุขทุกข์ก็ไม่ใช่เราอะไระก็ไม่ใช่เราให ม, ๆม่ๆบางทีใจมันยอมไม่ได้นะตกอกตกใจร้องห่มร้องไห้ก็มีนะเริ่มเห็นว่าตัวเราหายไปตกใจก็มี่เราให้รู้ทันไปเรื่อยดูไปสบายๆทำถูกแล้วละนรรรมตการหลวงพ่อค่ะตื่นเต้นเียค่ะมไม่ได้ส่งกันบ้านมาปีนึงก็เลย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 โอ้โหสาธุดังเชียมมีสต <h ante> ิเฉยๆแล้วไม่สาธุเลยรู้เลยอยากได้อะไร